บัดนี้จัดแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องจิตกระทบอารมณ์เือเห็นรูป้วยตาได้ยินเสียง้วยหูสูดมกลิ่นโดยจมูกริมรสโดยลิ้นถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งด้วยกายและตึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายโดยใจแล้ว ในกรณีที่มีกิเลสซึ่งในที่นี้ทรงใช้กำว่าสังโยชน์ก็ใดก็หนึ่งบังเกิดขึ้นภายในใจกอให้ผู้ปฏิบัติรู้ตามความเป็นจริงว่าในขณะนั้นๆสังโยชน์ประเภทนั้นๆได้เกิดขึ้นภายใน ใ, น ใ, นใจของเราในส่วนของประเยัดคือการศึกษาเราเรียนมา ทัดก็สอนให้เกิดความเข้าใจว่ากิเลสนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก่อเกิดความร้อนด้วยประการต่างๆและทรงสอนในแนวของการป้องกันการลดละการบันเทาการสงบระงับการดับเป็นประการสำคัญเพราะเมื่อดูจิตของเราในขณะนั้นๆเห็นว่าสังโยชน์ข้าใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้น ก็มองเห็นโทษประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วยาายมลดความรุนแรงของกิเลส ช, ช่วงการเผาล้นของกิเลสให้น้อยลงจนถึงกับเป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติคือเกิดปรับก็ตกประจักษ์ใจปุ๊บทันทีความประจัยมีปฏิกิริยาต่อกิเลสได้ด้วยเวลาที่รวดเร็ว แต่การปฏิบัติถึงขั้นนี้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ทำได้ยากจะทำได้เฉพาะอารมณ์บางระดับที่มีความรุนแรงไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่หากว่าความรุนแรงมากบางทีก็ประทะไว้ไม่อยู่เหมือนกันคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่า ในกรณีของอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดกรารมาราคะซึ่งเป็นสังโยชน์ลำดับที่สามทำให้จิตเกิดความกำหนัดความรักใคร่พอใจยินดีในสิ่งที่ตัวเองใคร่ทิจัยกำหนดว่าน่าใคร่เราจึงพบว่ามีอยู่สองตัวที่เป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้ความมาด้านนอกก็มีอารมณ์เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นยึดนอดนอนแข็งหรือธรรมารมก็ตราบ ม, มากระทบภายในใจเรานั้นมีกิเลสและกิเลสนั้นเองไม่ใช่เป็นเครื่องกำหนดหมายว่าเราจะต้องเกิดความกำหนัดทุกกรณีไป การจะเกิดความกำหนัดขึ้นมาได้แสดงว่าใจเรามีเชื้อของความกำหนัดเหล่านั้นอยู่ภายในใจเมื่อกระทบอารมณ์เหล่านั้นใจก็กาหนดว่าหน้าใครความกำหนัดในสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีเชื้ออยู่ภายในใจแม้อารมณ์มากระทบมันก็มีปัญหาอะไรหรือว่าแม้จะมีเชื้อแต่อารมณ์ที่กระทบไม่แรง จิตใจกรกั้นอดทนเอาไว้ได้คมใจไว้ได้หรือไม่ใส่ใจไปได้ก็นี้บึงดูเช่นตัวอย่างว่ามีวัตถุสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ได้แต่จำนวนมันไม่มากเท่าไหร่แล้วจิตใจเราก็มีคุณธรรมอยู่พอสมควรเรเห็นสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะอยากได้ ใจไม่จะเกิดกรุณาต่อคนที่ทําทรัพย์สินเหล่านั้นตกไว้แล้วต้องการที่จะช่วยเหลือเขาก็เก็บของเหล่านั้นไปสื่อผ้าเจ้าของหรือไปมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองจะถามว่าเงินตัวนั้นเป็นวัตถุกรรมหรือไม่ก็ตอบว่าเป็นแต่าถามว่าทําไมเราจึงไม่ใคร่ไม่เกิดอยากได้เพราะว่าภายในใจเรามีคุณธรรมอยู่ แล้วก็ก็เงินมันไม่เคยมากเลยคุณธรรมก็คุ้มครองรักษาใจไปได้แต่ในกรณีนั้นเองถ้าหากว่าใจอ่อนร่อยคุณธรรมแม้แต่สี่สิบห้าบาทมันก็แย่งกันแล้วเพราะที่หยิบช่วยเอาไปแล้วแสดงว่าวัตถุ ก, การเท่าเดิมแต่ว่าคุณธรรมน้อยก็ทําให้คนหยิบช่วยสิ่งเหล่านั้นเอาไปได้ ทีนี้สมมติว่าวัตถุสิ่งของเหล่านั้นเน่ยมีจํานวนมากเงินจํานวนมากมากไดเกิดด้วยคุคณธรรมระดับเดิมกบลังต้านทานทางใจไม่มากพอก็เกิดความโลภอยากได้ขึ้นอาจจะหยิบสวยเอาไปเลยหรืออาจจะหยิบสวยไปแล้วแต่เกิดสำนึกทีหลังแล้วก็คืนก็ได้แต่ก็พึงสังเกตว่ากิเลสได้เกิดครอบงําใจไปแล้ว อาการเหล่านี้เป็นประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเราแต่ละคนเวลากระทบอารมณ์จะสังเกตได้ว่าบางครั้งก็เกิดกำหนัดบางครั้งก็ไม่เกิดกำหนัดบางครั้งก็เฉยๆบางครั้งก็อาจจะสงสารได้ทาไปแม้ในวัตถุเดียวกันในบุคคลเดียวกันในสัตว์ตัวเดียวกันนั้นแสดงถึงสภาพจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยอํานาจของอารมณ์ข้างนอกด้วยแล้วโดวยพื้นฐานภายในของเราด้วย แต่การเกิดนั้นผู้สังเกตว่าไม่ได้เกิดตามลำดับที่ท่านเรียงไว้การเรียงก็คือการเรียงเพราะเวลาเราพูดถึงแลืเราเขียนถึงก็ตามมันต้องมีลำดับจะพูดอะไรก่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งลำดับการเรียงในที่นี้ทรงเรียงแบบโมหะโลภะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะอย่างละเอียดก็เรื่องแบบหมุนกัน แต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยมัอนอยู่ที่พื้นฐานภายในใจของคนที่ออกมาเป็นรูปจริตท่านสาวชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าลักษณะของจริตก็ที่จริงก็คือพื้นของกิเลสที่มีความยิ่งความย่อนอยู่ภายในใจคนเช่นคนที่ราคะจริตก็แสดงว่าพื้นฐานทางจิตนั้นกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะมีกําลังมากแล้วเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตอยู่มาก จนจิตนั้นมีความคิดในแนวโลภในแนวอยากได้ในแนวกำหนดเพลิดเพลิน เ, เ, เป็นปกติคือเป็นลักษณะที่เด่นถามกิเลสข้ออื่นมีไม้มันก็ ม, กมีแต่ว่าปริมาณที่ทําปฏิกิริยาต่อจิตนั้นไม่มากพึงสังเกตว่ากิเลสนั้นเขาก็ปนกันอยู่ในสิ่งตัวเดียวกเช่นเราอยากได้วัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง ความอยากนั้นก็เป็นโลภะแต่วัตถุสิ่งของก็เป็นกลางๆอั่างหนึ่งแต่ในขณะที่เราอยากได้อยู่ในใครมาแย่งเราจะเกิดโทสะอาจจะออกมาทางวจ า, าจาจ อ, อาจจะออกมาทาง จ, จิตใจหรืออาจจะออกมาพร้อมหมดเลยเพื่อต่อสู้ป้องกันสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ทำามจะทำอย่างนั้นเพราะเราหลง เพราะมีโมหะอยู่ภายในใจเพราะฉโลภมก็เกิดไปจากหลงโรกรธพวกเกิดไปจากหลงและพร้อมจะเกิดที่วัตถุเดียวกันเพียงแต่กคนละขนาดกันและเมื่อเรามองดูละะักษณะเหล่านี้มันก็มีทั่วไปแม้กค่สิ่งอื่นทานองพวกสภาวะทุกข์ที่แก่เจ็บตายฟึงสังเกตว่าความแก่ความเจ็บความตายมันก็ติดมาจากความเกิด เมื่อเกิดมาแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่แก่นะแก่เรื่อยๆจะเจ็บเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เขาก็พร้อมที่จะปรากฏตัวออกมาเราจึงเห็นคนตายทุกวัยคนแก่อยู่ทุกขณะและคนที่เจ็บมากบ้างน้อยบ้างทุกวัยเหมือนกันนั้นแสดงว่าเขาก็ปนกันอยู่คือแฝงมาลรสนาไราเด่น ในขณะนั้นๆเขาก็พูดถึงสิ่งนั้นอย่างคนที่มีโทสะจริตลักษณะการแสดงออกมีความรุนแรงโกรกง่ายอ่อนไหวต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ง่ายโการกลายเป็นลักษณะนิสัยของเขาแสดงว่ากิเลสประเภทโทสะนิสแรงเกิดขึ้นภายในใจคนต่อเนื่องจนสร้างลักษณะนิสัยของคนให้ ไปที่รับรู้ว่าคนนี้รุนแรงคนนี้ขี้โกรธคนนี้เข้าใจยากคนนี้กุนหงิดง่ายอะไรต่างๆแล้วขนาดของคนที่โมหะจะดิบก็คือโมหะปรากฏแก่จิตอยู่มากแต่หมายความมรรคิเลธทุกข้อนั้นมีอยู่ภายในจิตเพียงแต่อะไรเกิดขึ้นมาท่านก็พูดถึงสิ่งนั้นเท่านั้นเองเพราะลําดับในการเรียนบทีในการพูดก็ดีต้องพูดมีลําดับ พอพูดพร้อมกันหมดไม่ได้อยู่แล้วหรือพิมพ์หมดไม่ได้อยู่แล้วแต่เวลาเกิดภายในจิตเราก็เกิดขึ้นจากความโน้มเอียงภายในจิตเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดด้วยกันว่าความโน้มเอียงภายในใจเราพื้นฐานภายใ น, ในใจเราเป็นยังไงก็จะโน้มเอียงไปในทางนั้นคล้ายๆกับเห็นอาหารชนิดหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องอยากกินแต่มีคนบางคนที่เก็บสะสมความชอบความติดใจในรสชาติอาหารเหล่านั้นเอาไว้มากเมื่อเขาเห็นเขาได้กลิ่นเขาเห็นเขาได้ยินข่าวเขาเกิดอยากแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องอยากทำนองคล้ายๆกับนักเลงที่ติดเหล้าโดยเดนว่าเล่ามันก็คือเหล้า คนเดินผ่านขวดเหล้าไปมากมายไก่กองคนนิสัยใจนั้นจะมากแต่คนที่ดื่มสุราจนติดเป็นนิสยัยเห็นสุราแล้วก็อยากจะดื่มจนน้ำหลๆก็งี้ทาไมไ ด, ดื่มจะลงแดงตายเป็นตน้นนี่คือลักษณะที่เราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการสะสมจนกลายเป็นนิสยัยคือติดเป็นนิสยัย กิเลสก็ดีอาการก็ดีพฤติกรรมก็ดีที่จริงก็สะท้อนซึ่งกันแต่กันใ น, นการศึกษาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองให้เห็นโทษของกิเลสประเภทต่อนี้ตัวจะเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังอะไรเกิดเกิดมากเกิดน้อยยังไงเราก็รู้กับเราเองคือคนอื่นก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าให้มองเห็นโทษทุกขณะที่เขาเกิด แนวการบริบัติอีกระดับหนึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นหมายความว่าเมื่อรู้ว่าเขาเกิดก็รู้เห็นตามความเป็นจริงของกิเลสเหล่านั้นว่าเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นเหตุให้เกิดโรคเกิดอันตรายทั้งหลายเป็นนั้นมากแล้วก็ไปยังสืบสาไปดูว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้กิเลสข้อนี้ก็ยังไม่เกิดแต่เวลนี้มันเกิด มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดเป็นการศึกษาเป็นการมองในแนวการสืบสาวถึงที่ไปที่มาของสิ่งโดดนั้นและข้อนี้พระเจ้าก็ทรงสแสดงว่ากิเลสประเภทกามราคะคือใจที่มีความกำหนัดในสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่ หมายความว่าต้องมีสองตัวคือสิ่งที่น่าใคร่กับใจที่มีความใคร่ถ้ามีตัวเดียวมันก็ไม่เกิดอะไรถ า, ถามมาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าสุภนิมิตคือใจเราไปกาหนดไปเองไปให้ความสำคัญเองให้ความต้องการว่ายังไงให้ความต้องการว่ารูปนั้นสวยก็อยากดูเสียงนั้นไพเราะก็อยากฟัง กลิ่นนั้นหอมก็อยากดมรสนั้นอรอยก็อยากรับประทานสัมผัสนั้นน่าจับต้องก็อยากจับต้องอารมณ์นั้นน่าคิดน่านึกก็เหนียวนึกตึกนึกเกี่กับอารมณ์เหล่านั้นเพืสังเกตว่าใจจะต้องกําหนดก่อนใจไปกําหนดว่าน่าใครความใคร่จึงจะเกิดอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงโดยสรุปว่า ความตำหนินั้นเป็นการของคนหมายความว่าใจคนไปกําหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่มันก็เป็นการมสมับเขาคือเป็นสิ่งน่าใคร่สรับเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องกําหนดว่าน่าใคร่เป็นลักษณะของล่างเนื้อชอบล่างยาอย่างที่ใช้ท่านใช้คาว่าล่างเนื้อชอบล่างยาเมื่ออาหารเต็มโต๊ะไม่ได้หมายความว่าทุกคนชอบทุกคนก็รับประทานไปตามที่ตนเองชอบ อะไรที่ใครชอบมากก็รับประทานกันมากถ้าทุกคนชอบมากแล้วของน้อยถึงจุดหนึ่งก็จะยื้อแย่งกันมายื้อแย่งกันถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดเป็นโทสะนั้นแสดงเราแสดงเห็นถึงควาแปรผันของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจบามมนเริ่มตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึง่งตามความเข้มข้นของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้น แล้วบางทีก็วุ่นวายหมดเลยหมดทั้งสามกองไปพราะการตุษาในแนวนี้จะเห็นว่าถ้าใจไม่กำหนดด้วยความกำหนัดความกำหนัดก็ไม่เกิดแต่ปัญหาว่าจะทำยังไงทรงสอนในรูปของการมองใหเห็นโทษต่แต่ละสายให้ชัดยังทรงประรบถึงบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะที่เริ่มจาก การกําหนดว่าน่าใครกับการกําหนดว่าไม่น่าใครในวัตถุเดียวกันแต่คนกําหนดนั้นคนเรคนกันจัดใจที่กําหนดว่าหน้าใครพอท่านมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงามเป็นต้นเราก็อยากดูปลักดันให้เกิดการอยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากจับต้องอยากแนวนึกตึกนึก อาการที่ปรากฏเราจะเห็นในชาติเจนหนึน่งคือไม่สำรวมระวังอินทรีย์ายไปเรื่อยๆบางทีดูโดยขาดมันยาดมองดูจ้องดูเพ่งดูก็ไปดูใกล้ๆจนกลายเป็นการสำรวมระวังที่ก็บอกไม่มีมันยาดนั่นแสดงว่าเสียในด้านศีลละกิเลสชักแรงขึ้นไม่ใช่ปัญหาเฉพาะด้านจิตแล้วมันออกมาถึงด้าน อาการทางกายทางวัชาร์ทีนี้เมื่อพอใจติดใจในความอริศอร่อยในความสวยงามเหล่านั้นมันจะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยตั้งอุปโภคบริโภคเพราะทสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่อาหารที่รับประทานเข้าไปเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ ว, ว่าไปปรุงหมดในพวกวัตถุกรรมทํารูปไปสว ย, สวย ทำเสียงให้หน้าอร่อยเช่นกรอบเกลียบอะไรทำรสให้อร่อยทำกลิ่นให้หอมทำให้น้าจับหน้าต้องหมายความยังไงหมายความว่าอาหารซึ่งเน้นไปที่รสที่จริงถูกปรุงด้วยวัตุกรรมครบทั้งห้าข้อทำให้เห็นเป็นรูปสวยทำให้เสียงน่าฟัง ทำให้กลิ่นหอมทำให้รสอร่อยทำให้น่าจับน่าต้องมันเป็นกระตุ้นอะไรกระตุ้นการมาราคะความอยากรับประทานใจคนก็กำหนดด้วยความขนาดเพลิ น, นทำให้อาหารบางอย่างที่เราบริโภคเข้าไปนั้นก็แพงเกินคว า, ามจําเป็นเพราะเราไปมุ่งเน้นทั้งวัตถุกรรมไปจนจนครบหมดเกือบทุกข้อ ก็จะทำให้ไม่รู้จักประมาณนในการบริโภคใช้สอยไปเฉยๆก็นำปัญหาสารพัดให้มันเกิดขึ้นความเพียรพยายามที่จะฝึกปลือไปในด้านจิตใจจึงจะต้องอาศัยการรู้เท่าทันทงความเป็นจริงของจิตใจมันก็ต้องหย่อนความเพียรพยายามต้องหย่อนเพราะว่าความเพียรนั้นจะ ต, ต้องเหน็ดเหนื่อยจะต้อง วความอุปสรรคอันตรายแต่การไหลไปตามกระแสของวัตถุกรรน้ําก็ไหลไปเรื่อยสบายไม่ต้องไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรจิตใจก็จะอ่อนไหวไปโดยลำดับศรัทธาคือความมั่นคงภายในใจก็จะเลื่อนลอยคือจะไม่หนักแน่นศรัทธาก็แกวงไปเรื่อ ย, อยการกระทำก็จะมีอาการจับจด จะจะรักษาศีลก็ไม่เอาจริงการจะไหว้พระสวดมนก็ไม่ทําจริงการจะนั่งสมาธิก็ไม่เอาจริงเพราะความเพียรมันจอนเมื่อความเพียรขาดขาดความต่อเนื่องหรือกระทําที่ยออ่อหย่อนเอกุศลธรรมมันก็เดินต่อไปไปได้จิตใจคนจะอ่อนไหวง่ายกระทบอะไรนิดกระทบอะไรหน่อยก็ได้ก็ตกเป็นเครื่องมือเกาได้ง่าย ล่อโดยรูป ก, ก็ตายล่อโดยเสียงก็ตายล่อโดยกลิ่นก็ตายล่อโดยรสก็ตายล่อด้วยสัมผัสน่าจะต้องก็ตายได้ทั้งนั้นหลยซึ่งเราก็มีตัวอย่างบุคคลที่ตายด้วยสิ่งเหล่านี้แม้เพียงอย่างเดียวไม่ต้องกล่าวถึงครบผ้าอย่างหรือแม้อย่างเดียวก็ย่ํำแย่แล้วต่างว่าจิตใจของคนอ่อนไหวก็ะทั่นองแค่แค่ร่างกายเราที่อ่อนแอกระทบอะไรนิดระทอะไรหน่อยก็เกิดโรคขึ้นมาได้ ดังนั้นจิตในลักษณะนี้จึงทำให้โอกาสจะประสบภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ง่ายทรงอุปมาว่าเหมือนกับต้นไม้ที่มันเกิดอยู่ริมริมเงื้อขเขาริมเขาที่ขาดว่าโดนพายุแรงๆพัดพัดมาก็หักโค่นลงมาได้ และโทษเหล่านั้นทรงแสดงไว้ในสังสารวัฏ ด, ด้วยมันสืบเนื่องมาจากการตามใจตัวเองการไม่พยายามประทะต้นทานกำลังของกิเลสเอาไว้ในตำนงมองตรงกันข้ามถ้าหากว่ามีการกำหนดให้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงนั้น รูปสว ย, สย ก, ก็ไม่มีจริงเสียงไพเราะก็ไม่มีจริงกลิ่นหอมก็ไม่มีจริงรสอร่อยก็ไม่มีจริงสัมบัติติหน้าจับต้องก็ไม่มีจริงมันอยู่ที่ใจเรากําหนดเอาใจใจเพราะถ้ามีจริงนั้นต้องสากลคล้าก็แก่เจ็บตายเนี่สากลเกิดแก่ตายนะสากลหมายความมาสับปชีวิตจะต้องประสบกับเกิดแก่ตายคือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตายแต่เจ็บนั้นอาจจะมากอาจจะน้อยยิ่งย้อน ไม่เหมือนกันแต่แก่กับตายนั้นมีแน่นั้นคือลักษณะสากลลักษณะร่วมแต่ความสวยงามนั้นไม่ใช่สามัญลักษณะไม่ใช่ลักษณะที่เสมอกันของสรรพสัตว์แต่สังขารทั้งหลายเพราะเราจึงพบว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอ น, น, นเราพิจารณาว่ารูปทั้งหลายสวยงามเสียงทั้งหลายไพเราะคือคือไม่ให้พิจารณาอย่างนั้นเพราะมันไม่มีอย่างนั้น มันคือขึ้นจากใจเรากำหนดเอาอเองในขณะที่คนหนึ่งรู้สึกสวยงามลงหลงไหลคลั่งคลายเนี่ยคนนึงเฉยๆคนหนึ่นนงก็าอาจจะรังเกียจคนหนึ่งอาจจะเกลียดก็ได้ก็แสดงว่าถ้ารูปนั้นสวยงามจริงๆทุกคนต้องมองเห็นเป็นความสวยงามแกล้ๆกับร้อนเย็นเนี่ยนะทุกคนสัมผัสก็รู้ว่าร้อนว่าเย็น แต่รูปที่เราสัมผัสไม่ใช่ทุกคนเห็นว่างามเสียงที่เราได้ยินไม่ใช่ทุกคนเห็นว่าไพเราะกลิ่นที่เราสูดดมไม่ใช่ทุกคนเห็นว่าหอมหรือรสที่เราลิ้มไม่ใช่ทุกคนเห็นว่าอร่อยหรือสิ่งที่เราจับต้องก็ไม่ใช่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าน่าจับน่าต้องมันเป็นเรื่องพื้นฐานทางใจลักษณะลางเนื้อชอบลังยาหรือว่านานาจิตตังในเราพูดกันแบบนานาจิตตังคือต่างจิตต่างใจกัน เพราะถ้ามองในแงค่ความจริงก็คือมองเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามพอมองเป็นสวยไม่งา ม, มไม่จําเป็นจะต้องเป็นดินน้นรนเพื่ออยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิมอยากจะต้องอะไรมันการสํารวจวงอินทรีย์ก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติาการรับประทานอาหารบริโภคใช้สอยก็มองเท่าที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการดารงชีวิต ที่เรียกับปัจจัยเครื่องอาศัยในการรวมชีวิตไม่เป็นเน้นที่รูปร่างนารับประทานกลิ่นที่ออม้อมรถที่อร่อยสัมผัสที่น่าจะต้องอะไรคือไม่เป็นเน้นรุ่นวายขนาดนั้นอนงแง่งการท็าประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ศรัทธาคือความเชื่อมัน่นก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิต ความเพียนพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตจิตใจของบุคคลก็จะมีความมั่นคงหนักแน่นไม่ถูกโยกคลอนในหวั่นไหวไปด้วยอหนาจของอารมณ์ที่มากระทบในขณะนั้นๆองมืยผลเป็นความสุขทั้งในขณะนั้นๆขณะต่อๆไปจนกลายเป็นรูปของสังสารวัฏที่เรียกว่าคามพบความจัดกลายเป็นวาสนาบารมี ที่จะนําคนเข้าใกล้มรรคนิพพานเข้าไปโดยลําดับเพราะเราก็มองเห็นทั้งสองสายาสายที่เป็นโทษก็โทษอยู่เรื่อยๆสายที่เป็นคุณก็เป็นคุณอยู่เรื่อยๆแต่จริงแล้วมันมาจากการกําหนดของเราสายที่เป็นโทษก็มาจากการกําหนดว่าน่าใคราน่าปรารถนาน่าพอใจสายที่เป็นคุณก็ไปกําหนดว่าไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจ ฝ่ายหนึ่งเป็นธาตของกิเลสฝ่ายหนึ่งเป็นนายเหนือกิเลสบังคับใช้กิเลสแม้จะไม่เป็นการพูดระดับหมดกิเลสหมดกิเลสก็เป็นเรื่องใหญ่มันเอาแต่ว่าทํำยังไงให้เป็นนายเหนือกิเลสได้จิตใจคนคนก็จะเป็นอิสระรู้รู้จักปรับใจตัวเอง บริโภคใช้สอยสิ่งทั้งหลายตามความเกี่ยวข้องตามที่จาเป็นไม่ไปยึดมั่นหรือมั่นอะไรมากเกินไปถึงสังเกตว่าอะไรก็ตามถ้าเราเกี่ยวข้องโดยความรู้เท่าทันเรืงความจริงของสิ่งเหล่านั้นความรักความชังเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นรุนแรงอะไรมันเป็นการเกี่ยวข้องกันปกติธรรมดาพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราก็ไม่เดยดีใจอะไรนักหนา ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาประการหนึง่งมันก็ปลูกต้นไม้มันก็ต้องโตไม่โตก็สแสดงว่าต้นไม้ตายแล้วพอสิ่งเหนั้นแตกดับไปมันก็มองเห็นในแง่ธรรมดาก็แตกดับไปในขณะที่มีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านั้นเราเกี่ยวข้องเราอยู่เราบริโภคใช้สอยได้เต็มตามวัตถุประสงค์แต่พอสิ่งเหล่านั้นเสื่อมไปแตกทาลายไปเราก็ยอมรับทังความจริง หมายความเมื่อเขาอยู่เราก็ใช้ประโยชน์จากเขาได้เมื่อเขาจากไปใจเราก็ไม่เสียด้วยซึ่งปีกจิตใจของสามั ญ, ญชนจิตใจของสามั ญ, ญชนนั้นเช่นในของที่เรารักเนี่ยเราพร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะก่อการทะเลาะวิวาทกันพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็เฉลิมฉลองกันใหญ่คล้ายๆกับเป็นของเที่ยงแท้นแน่นอน พอเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีก็เสียทรัพยเสียทราเสียสิ่งเหล่านั้นไปแล้วยังใจเสียสุขภาพเสียทรัพย์สิ่งเงินทองเสียมันจะเพิ่มความเสียหายขึ้นมาอีกมากมายไกลกองเพราะการมองในแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มันกอยเกิดการรู้เห็นตามความจรงิงแล้วก็ปรับใจตัวเองได้เมื่อมีอยู่ก็บริพภูให้ซอยไปได้ เมื่อจากไปก็คือก็คือเรื่องตองจากไปอยอดที่ทรงแสดงไว้ในโลกธรรมมันสตรเป็นใจความโดยสรุปว่าที่จริงแล้วลาบยศสรรเสริญสุขหรือเสริมลาบเสริมยศตินฐาทุกนั้นมันเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายเหมือนกันเกิดขึ้นทั้งแก่สามัญชนทั่วไปแล้วเกิดขึ้นแก่พระยาปบบุดต่างไม่ได้อยู่ตรงนั้น แต่จุดต่างอยู่ที่ใจของท่านเวลากระทบอารมณ์ผู้เตือนทั้งหลายเมื่อลาบยศสันสนสุขเกิดขึ้นก็จะชื่นชมยินดีต่อลาบยศสันสนสุขเราแต่มีการเฉลิมฉลองกันมีการแสดงความดีอกดีใจกันแต่พอเสื่อมลาบเสื่มยศอินทานทุกเกิดขึ้นก็จะเศร้าโศกเสียใจแล้วก็อาจจะอาละวาด หาเรื่องไปป้ายสีคนอื่นต่อไปเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะคนโน้นเช่นว่าถูกจับติดคุกก็เพราะคนนั้นค น, นนี้คนโน้นแทนที่จะมองวิเคราะห์ตรวจสอบทีต่ตัวเองไม่ได้มองไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบเพราะจิตใจของบุคคลเหล่านี้จะขึ้นขึ้นลงลงตามความเปลี่ยนแปลงของวัตถุกรรมที่ตนได้มาพอได้ส่วนที่ชอบก็จะชื่นชมยินดีพักหนึ่งพอเจอสิ่งไม่ชอบก็จะเศร้าโศกเสียใจ แต่พระญาบุคคลถ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระญาบุคคลพอรู้พอเกิดปั๊บท่านก็รู้ปุ๊บทันทีอ๋อสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้ เ, เกิดขึ้นแล้วแกเราไม่ว่าจะเป็นลาบยศรร ส, รสรรเสริญสุรเสื่อมลาบเสื่อยศนิ น, านทาตุกข์ก็ตามเกิดเกิดก็เกิดอย่างที่เราชอบใช้กันในปัจจุบันเป็นปคําด็กค่อนข้างฮิตพูดกันไปแพร่หลาย แต่ใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสิ่งอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเกิดมันก็เกิดเปนเรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพรา ะ, ะนั้นเวลาเขาเกิดมาเราก็รู้ว่าเขาเกิดมาแต่โดยสถานะเข่าแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเ ป, นเปลี่ยนแปล ER งไปเป็นธรรมดาเรายอมรับสิ่งซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ ค, ออ ค, คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแตกดับซึ่งจะมีแก่สิ่งเหล่านั้นในอนาคต เราเจยบใจรับไว้ตอนีนี้ไปขอให้ตั้งใจต้องความสงบสุกต่อไป